ส0สัปปานกะสิกขาบท 73. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่ว่าน้ำมีสิ่งมีชีวิตรถหญ้าหรือดินณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณเมืองอารวีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุชาวเมืองอารวีถามเพราะเรื่องอะไร ตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุชาวเมืองอาราวีรู้อยู่ว่าน้ำมีสิ่งมีชีวิตรถหญ้าหรือดินในสัปปานกาสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสสมุทฐาน ภูตะคามวัคที่สองจบ